บุกทูเกสิ e สามเดวินส์เมตรีสอนุประโยคใช้เชื่อมฉ h a ไม่ทราบว่าเขากฉันอไม่ฉันไม่ทราบว่าเขารักฉันหรือไม่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 อาริสมนมิลเขาอาจจะไม่กลับมาก็ได้อาริสกรชเขาอาจจะไม่โทรมาหาดิฉันก็ได้อาริสมันสมน์ดิฉันสงสัยว่าเขาจะคิดถึงดิฉันไหมอชคาวสเซเวสอาริสเอพมนกลโวย ดิฉันสงสัยว่าเขาจะมีคนอื่นไหมอัชคลาว u s เซเวสอริยสตุริกิตาดิฉันสงสัยว่าเขาพูดโกหกอัชคลาวสุเซเวสอริยสเนมลุ่ยเขาอาจจะคิดถึงฉันหรือเปล่าอริยสเอพิมานาเกลวุย เขาอาจจะมีคนอื่นหรือเปล่าอริยสตุริกิตัเขาอาจจะพูดความจริงก็ได้อริยซาโกเทยซาฉันสงสัยว่าเขาจะชอบฉันจริงๆหรือไม่อชอเบยอยู่อาราชมตะเกรเปตึงคว่ฉันสงสัยว่าเขาจะเขียนถึงฉันหรือไม่ อชัชอเบโยโยอาริย์สมันปราชิสฉันสงสัยว่าเขาจะแต่งงานกับฉันหรือไม่อชัชอเบโยโยอาริยม์มานาเวสเขาจะชอบฉันจริงจังไหมอารตุเกรชิมปะติงโกเขาจะเขียนมาหาฉันไหมอาริย์สมันปราชิส เขาจะแต่งงานกับฉันไหมอ r i u s m a n a v e s